เอานะ่าอย่าซีเรียกเรื่องหลานเงินเพื่อศักดิ์ศรีลุงชอบอยู่ข้างวัดจะบวชลูกชายเงินไม่มี หลวงพ่อบอกว่าโกนหัวเข่าวัดเลยเดียวอาตา ม, มาจะบวชให้ลุงชอบบอกว่าไม่ได้รองมีลูกชายคนเดียวจะบวชทั้งทีต้องจัดงานให้ยิ่งใหญ่ให้สมศักดิ์ศรีหน่อยหลังจากนั้นลุงชอบไปยืนเงินเขาทั่วหมู่บ้านเลยเอามาจัดงานบวชเลี้ยงโต๊ะจีน จัดงานใหญ่โตทำขวัญ น, นาคมีหนังมีลิเกฉลองพระวันบวชลุงชอบหน้าบานเลยงานใหญ่แขกมาเยอะมีความสุขลูกชายศึกไปสองปีแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งพ่อทั้งลูกทำงานหัวซุกหัวซุนใช้หนี้สักสี เหงื่อท่วมตัวทุกวันจัดงานเพื่อศักดิ์ศรีวันเดียวทำงานใช้นี่มาสองปีแล้วยังไม่หมดเลยโง่จริงๆพระสอนไม่ฟังลำบากต่อไปเถอะ